ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอรับอานิจจากมือของภิกษุณีจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุภิกษุณี น, นั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติภิกษุนั้นทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคฆบุรุษ ภิกษุผู้ไม่ชญาติย่อมไม่รู้สิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ของภิกษุณีผู้ไม่ใชญาติโมฆะบุรุษฉณะที่เธอจึงรับอา m ิ t h จากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใชญาติเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้